วัด น, นี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอวิชาซึ่งเป็นรากงาวของสรรพกิเลสทั้งหลายนั้นเป็นสังโยชน์ที่ลึกที่สุดหมายความว่าบุคคลทั้งหลายในโลกมีที่จะทำลายวิชาได้จริงๆ ก็มีเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นนอกจากนั้นเพียงแต่ลดความรุนแรงของอิชาลงไปได้แต่ไม่สามารถจะตัดให้ขาดได้ดังนั้นเมื่อวิชายังมีอยู่การกระทำก็เป็นบุญเป็นบาปอยู่ก็แสดงว่ามีกิเลสมีกรรม ก็เป็นเดชนำไปถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆตามแรงของกรรมทำให้เราพบว่าแม้แต่พระริยบุคคลทั้งสามประเภทข้างลังท่านก็ยังทำลายวิชาอ ย, ย่างไม่หมดท่านก็ยอมต้องเกิดอยู่ในสังสารวัติมากบางหน่อยบางเพียงแต่เป็นผู้แน่นอนว่าโอกาสหนึ่งจะบรรุมรรคผลเป็นพระอระหรันต สรุปแล้วว่าไม่เกินเจ็ดชาติแต่อย่างน้อยก็ต้องเกิดอีกหนึ่งชาตินันการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมุ่งที่จะลดละอวิชชาให้ลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนว่าความเข้มข้นของวิชาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้น บางระดับที่ถือว่ามากก็แปลว่าไม่รู้เป็นลักษณะของความงมงายร้ายเหตุผลต่างๆเป็นอาการของโมหะที่แรงแงแบบพฤติกรรมของสัตว์ดิรชานที่มีการกล่าวอุปมาสภาพจิตของคนในโลกคนที่มากโดยโมหะนั้นก็เหมือนกับสัตว์ดิเรกชานที่เรียกว่ามนุษย์ดิรกชานน คนที่มากประด้วยความโลภความประหายอยากได้ในอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกระเปรตที่เรียกว่ามนุษย์สเปโตคนที่มีความอาฆาตมา ร, ร้ายรุนแรงมุงจองล้างจองผ่านปติสร้ายกันกเรียกว่ามนุษยนิรยิโกคือเป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจก็เหมือนกับตกนรกถึ่งแสดงเห็นว่าสตาิสัจนั้นเป็นสัตว์ที่ร้เดียงสา คือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทำอะไรไปตามสัญชาตญาณบางครั้งก็ดึงภัยดึงอันตรายมาสู่ตนเองทำนองมาแหลงมมกาปิ้งข้าวกองไฟนี่ก็ถือว่าเป็นระดับอวิชาที่สร้างความมืดบอดรุนแรงระดับที่สองนั้นเป็นความรู้แต่รู้ไม่จริงก็คล้ายๆกับที่เราสามารถอธิบายทุกโทษ ของอบายจะมุกได้โทษของการเบียดเบียนการประทุษรายกันได้แต่เอาควาจริงแล้วเราก็ลดละเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ภัยอันตรายทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ก็คงเกิดขึ้นเพราะเรายังสร้างเหตุให้เกิดภัยอันตรายเหล่านั้นอยู่อีระดับหนึ่งเป็นความรู้แต่เป็นความรู้ที่ไม่ตลอดสายหมายความว่าไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง แล้วก็สันนิษฐานในเรื่องอื่นออกจากจุดที่ตนสัมผัสตำนองที่ท่านบอกว่าโกนกบเกิดอยู่ในสะจ้อยไปเห็นทะเลไกลกลางสมุทรคิดว่าน้าบ่อน้อยมากล้ำลึกเหลือแกก็อยู่เฉพาะในบ่อในสะก็เข้าใจว่าโลกกัน ก, ก็คือสะอะไรนอกจากที่เธอเห็นเธอก็ปฏิเสธแล้วพอใจว่าสิ่งที่ตนเห็นเท่านั้นก็คือความถูกต้อง ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ไม่ตลอดสายประเด็นสาคัญของคำว่ารู้ในความหมายที่ท่านแสดงไว้นั้นจะเป็นความรู้ระดับใดก็ตามเนื่องจากตัวความรู้เป็นค่าศึกต่อความไม่รู้ทำนองคล้ายๆกับแสงสว่างที่เป็นค่าศึกต่อความมืดเพรา ะ, ะเมื่อตัวความรู้บังเกิดขึ้นนั้นจะต้องขจัดความมืดออกไป และความมืดต่อ น, นั้นเองเป็นเหตุให้เกิดเป็นโลภโทสะโมหะนนเตุได้เกิดตัณหามาณทิฏฐิวันมืดแสงสว่างบังเกิดขึ้นภายในจิตอาการของกิเลสเหล่านั้นจะต้องลดน้อยถอยลงไปโดยลาดับหากว่ากิเลสยังหากว่ากิเลสยังไม่ลดท่านก็ถือว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงหรือรู้ไม่ตลอดสายหรือรู้แต่เอาตัวไม่รอด ความรู้ในทางโลบุตศาสนานั้นมุ่งให้เป็นความรู้ที่นําตัวให้รอดปลอดภัยจากเพลิงสองกองใหญ่คือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์่นระดับที่ลดด่างกันขึ้นไปนั้นเราก็ไม่ถึงดับเพลิงกิเลสได้แต่ก็ลดความรุนแรงของเพลิงกิเลสเอาไว้ควบคุมใจเอาไว้ได้หากห้ามใจเอาไว้ได้ ไม่รู้อำนาจแก่กิเลส ท, ที่บังเกิดขึ้นถ้นมีความโกรธบังเกิดขึ้นก็ข่มใจไว้หากข้ามใจเอาไว้ไม่ถึงกระทำพูดออกไปด้วยอานาจของความโกรธมีความโลภเกิดขึ้นแม้จะมีวัตถุสิ่งของที่อาจจะหยิบจะช่วยเอาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรได้แต่ก็ใช้ธรรมะข่มใจห้ามใจเอาไว้สกัดกั้นความรุนแรงของกิเลสเอาไว้ ้็ไม่ถึงก็ไปหยิบช่วยสิ่งของของบุคคลอื่นนั่นจะมีเรื่องราวน่าจะโกหกถ้าโกหกไปแล้วตนจะได้ประโยชน์จากการโกหกแต่ก็มีสติเหนียวรั้งใจมีธรรมะข่มใจข้ามใจเอาไว้ไม่พูดโกหกออกไปซึ่งก็แสดงเห็นว่าความรู้ในระดับนี้เป็นความรู้ที่ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่ง เป็นการข่มใจหักห้ามใจประพฤติปฏิบัติธรรมะในชีวิตประจำวันแต่ยังถือเป็นความรู้จริงยังไม่ได้เพราะว่าความรู้จริงนั้นท่านบอกว่าจะต้องไม่กาเริบท่านจึงแบ่งไว้อีกในหนึ่งว่าเป็นกุปปธรรมคือธรรมะที่กาเริบได้เปลี่ยนแปลงได้ที่เราเคยรักษาสี่ห้ามาได้บริสุทธิ์บริบูรณ์นานเป็นเดือนหือหลายๆลยเดือน ต่อมาไปกระทบกับอารมณ์ที่รุนแรงข้าวรู้อํานาจแกอารมณ์เหล่านั้นอาจจะละเมิดศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สหรืออาจจะหมดทุกๆข้อก็ได้สแสดงเห็นว่าในช่วงที่เรารักษาได้ก็คือรักษาได้เป็นความดีในส่วนนั้นจะเป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ถือว่าเป็นความดีในส่วนนั้นแต่เมื่อจิตใจต้านทานอารมณ์ไม่ได้ มีการละเมิดศีลขึ้นมาในช่วงนั้นไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีผลก็จะถูกจำแนกแบ่งแยกให้แตกต่างกันออกไปส่วนดีก็คือดีให้ผลเป็นความสุขส่วนไม่ดีก็คือเป็นดีที่จะให้ผลเป็นความทุกข์ปัญหาสำคัญอะไรที่มีปริมาณมากกว่ากวจะเพิ่มสุขเพิ่มทุกข์ให้แก่คนนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็ถูกลดลงไป ว่ามีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์อยู่ด้วยในขณะที่มีเหตุปัจจัยเกิดความสุขเหตุปัจจัยเกิดความทุกข์ก็ไปลดเหตุปัจจัยเกิดความสุขให้มีความสุขน้อยลงไปการบากข้อมคนเราส่วนใหญ่มันก็ต่อสู้กันในลักษณะนี้ซึ่งยังถือว่ายังเป็นความรู้ที่ไม่จริงแต่นั้นถ้ายังแบ่งความรู้ออกไปเป็นสามระดับ ระดับ1เรียกว่าญาตะปริญญาเป็นการรู้ด้วยการศึกษาแล้วเรียนการคิดค้นการสอบถามการสดับสอบฟองการอ่านตำหนับตำราการถามปัญหาต่งตางๆเป็นต้นตลอดทังนำเรื่องเหล่านั้นมาเพ่งปินิศมาคิดมาพิจิปิณิปินปจนาจนเห็นจริงตามที่ท่านว่าไว้เข้าใจยอมรับอันนี้เป็นคุนนี้เป็นโทษนี้เป็นประโยชน์นี้ไม่เป็นประโยชน์ ซึ่งผ่านการกลั่นกรองพินิษฐ์ปิจนามาแล้วแต่ก็จริงก็ปรากฏว่าเรายังละไม่ได้ในชั้นนี้ท่านเรียกว่าติระปริญญาคือความรู้ที่เกิดขึ้นจากการนำมาคิดนำมาพินิษพิจารณาซึ่งตามปกติแล้วสองระดับนี้มีแก่คนทั่วไปมากบ้างน้อยบ้าง แต่ท่านก็ยังถือว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงเป็นความรู้ที่ไม่ตลอดสายเป็นความรู้ที่ยังเอาตัวไม่รอดอยู่จนมีการพูดกันว่าสีเท้ายังรู้ปราดนักปรารู้พราดนักปราดยังรู้ครั้งหมายความโอกาสที่จะพลั้งพลาดของนักปราดทั้งหลายซึ่งก็มีความรอบรู้แตกฉานในเชิงที่เป็นปริยัติและก็มีอยู่ได้ แต่ถ้าหากว่าท่านละ เ, เตอนนั้นบรรลุคุณสูงสุดคือเป็นพระานแล้วไอ้คำว่าพลาดเนี่ยมันไม่เป็นเพราะพระพลาดเกิดขึ้นที่ความบกพร่องของสติหรือสติขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งแา่ท่านมีสติสมบูรณ์สติเบี่ยมล้นอยู่ภายในใจของท่านผลความบกพรัง้งคำามาพลาดคำามาเผลอเรอ่คำว่าลืลืมมันก็ไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านในพฤติกรรมของท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือระดับนี้ไม่ถึงก็ลดกิเลสไม่ถึงก็ละ ก, กิเลสได้อาจจะลดลงไปได้บางระดับแต่ถ้าเจออารมณ์แรงแรงธรรมะก็แตกเดี๋ยวขันติมันก็กลายเป็นขันแตกความรู้สึกเดินมากคนตันหาความรู้สึกผูกพันเยื่อใยเสน่หาอาาลัยในสิ่งที่เรารู้สึกขอ ง, ของเราก็ยังมีอยู่ ความรู้สึกว่าเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนของเราที่เที่ยงแพ้แน่นอนยังยืงยนไม่แปรผันก็ยังมีอยู่ท่านยังถือว่าเป็นความรู้ที่ไม่จริงแต่ความรู้ระดับที่รู้จริงนั้นท่านบอกว่าเป็นบานะปริญญาคือรู้ว่าอะไรเป็นบ่าเป็นอคุศลแล้วก็ละดได้ รู้อะไรเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทาได้ซึ่งตราเรียงกันแนวปัญญาก็คือแนวที่ตระเรียกว่าภาวนามายาปัญญาคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการลงมือประพฤติปฏิบัติจนสัมผัสผลอาการของกิเลสลดน้อยถอยลงไปอย่างที่ทรงแสดงแก่พระปัจเจกคีไว้ในช่วงที่สามของอนัตตลกณนสุด ในตอนตอน้ตนนั้นได้สอนให้ท่านปัญญวัคีศึกษาเรื่องขันทั้งห้าใน แ, แง่ที่ไม่ใช่ตัวเื่อตนคือเป็นอนัตตาประทรงเสนอข้อคิดพินิษฐพิจนาเชี่ยวเขียงไว้โดยนิยาต่างๆเช่นขาน่าเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนได้แล้วเป็นตัวเป็นต น, ต น, ตนตจริงแล้วขันห้าก็จะไม่เจ็บไายได้ป่วยไม่ประสบความทุกข์ทรมานไม่หิวไม่กระหาย แต่ความจริงแล้วค่ะนก็ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะค่ะหมันเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเชิดตนค่ะน้าจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยและบุคคลไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอค่ะน้าของเราจะเป็นอย่างนี้เถิดค่ะน้าของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีใครตั้งความหวังหรือตั้งความปรารถนาอย่างนั้นได้รับสั่งให้ท่านเหล่านั้นใช้ความคิดต่อไป เพราะเมื่อคาน่ามันเป็นอนัตตาหรือไม่ใช่ตัวเชิดตนอย่างนี้คาน่าเหล่านั้นเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุ ป, ปัญญาภคีก็กราบถูงว่าเป็นของไม่เที่ยงเราสั่งว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านก็ตอบว่าเป็นทุกข์เราสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาเป็นการสมควรไหมที่เราจะไปคิดว่ามันเป็นของเรา เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเราปัญญาภักดีก็กราบทูลว่าไม่เป็นการสมควรที่จะคิดเช่นนั้นคนนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และปัญญาที่เกิดขึ้นจากการคิดตามพระธรรมเทศนาของพรกเจ้าที่ทรงแสดงเอาไว้เรื่องอนิจจังทุกขังไม่ได้ทรงแสดง แต่ท่านปั ญ, ญาวัคีตอนนั้นท่านเป็นปสุตปันธ์ทันละกิเลสประเภทโมหะไปได้มากคือโมหะยังหยาบดันทานละหมดแล้ววันปัญญาประเภทจะเรียกว่าเป็นทิฏฐิสัมปันธะคือสมบูรณ์ด้วยความคิดความเห็นที่ถูกตรงแล้วก็มีอยู่ภายในใจของท่านท่านสามารถจะมองต่อไปได้เพราะเมื่อว่าเป็นน้าตามันก็ต้องไม่เจียม เมื่อไม่เที่ยงก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นนี้เอาก็จริงแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของของเราจริงๆไม่มีอะไรที่เราเป็นจริงๆหรือเป็นเราจริงๆไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆถ้าจะเป็นมันก็เป็นกันในแง่สมมติปัญญาเตาแต่งตั้งเอากำหนดไมายเอายึดมั่นถือมั่นเอา เอาก็จริงแล้วของเรามันก็ไม่เป็นของเราเราไม่ทิ้งเขาไปเขาก็ทิ้งเราไปการเป็นของเราที่ถูกสมมติแต่งตั้งไว้โดยในยาติต่างๆพอถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่ได้เป็นและแม้แต่เครื่องกำหนดหมายเหล่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นของเราในความเป็นตัวเป็นตนของเราที่เข้าใจกันเอาก็จริงก็ไม่เป็นจริง เราพูดจาอะไรกับเขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเป็นเรามันก็ไม่ใช่เป็นของเราหรือเป็นเราจริงๆเราไม่เป็นเจ้าของอะไรเลยความเป็นเจ้าข้าเจ้าของก็เป็นเรื่องของสมมติบัญญัติซึ่งบางอย่างเป็นการสมมติบัญญัติในช่วงสั้นๆที่เห็นก็ได้ชัดๆเช่นเมื่อเราไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าต่จะต่างไป จากเสียตังของเราก็ใจก็เป็นของพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้ารับไปแล้วก็ไปทอนให้แก่คนอื่น ก, กลายเป็นของคนนั้นคนนั้นเอาไปซื้อของต่อไปก็กลายเป็นของแม่ค้าอีกแม่ค้าก็ทอนต่อไปอีกตกลงว่าเป็นของเราในช่วงสั้นๆถึงว่าเราในแง่สมมุติกันแต่พอเลิกสมมุติแล้วเราจะไปถือเป็นของเราไม่ได้ เป็นสตางค์ที่เราจ่ายให้แม่ค้าไปแล้วหรือ แ, แม่ค้าตอนคนอื่นไปแล้วเราจะไปดึงกลับไม่ได้จะคืนไปย่างกลับมาก็ติดคุกถือว่าฉก ช, ชิงซักเราจะอ้างว่าเป็นของเราไม่ได้เพราะจริงๆมันไม่ใช่ของเราแล้วในตอนนั้นจิิงทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็จริงๆแล้วก็ก็เป็นอย่างนั้นการสมมติว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราจรึงเป็นเรื่องสมมติ อาศัยการที่ใจเป็นธรรมชาติขวายคว้าดิ้นรนกวัดแวงห้ามยากรักษายากมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาหน้าพอใจเมืม่อเธอมองเห็นในจุดใดจุดหนึ่งว่าไม่ใช่ของเธอแล้วเธอจะส่ายจะส่ายวิ่งไปสู่อารมณ์ทั้งหลายในการทั้งหลายซึ่งเราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วคนที่มีอายุมากจะส่ายไปสู่อดีต คนที่มีอายุ น, ย น, ยน้อยจะไปสู่อนาคตคนที่กำลังประสบความสำเร็จอยู่ในขณะนั้นนั้นจะเพลิดเพลินชื่นชมยดีในปัจจุบันของตัวเองเพราะนั้นพเจ้าก็ทรงสรุปแสดงประดุกประดิกสู่ทั้งหลายโดยความก็คือการห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดี หยาบ ก, ก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประนีก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีขาน่านั้นก็ไม่ใช่ขาน่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณไม่ใช่ของเราจริงๆไม่เป็นเราจริงๆและไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆ ปัญญาที่เกิดขึด้นทรงเรียกในที่นี้ว่าสมมติปัญญาคือปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเธอทั้งหลายผึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เหมือนด้วยปัญญาเช่นนี้แล้วอาการของใจที่ข่ายคว้าปรารถนาอยากได้อยากปีอยากเป็นด้วยอำนาจของตนามนติติมันก็ลดลงไป จนถึงก็หมดสิ้นไปจะเบื่อหน่ายในรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายแล้วใจก็จะคลายของกำนัดคลายลงไปเรื่อยจะจางลงไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยมาถึงจุดหนึ่งจิตก็หลุดพ้นจากอำนาจของตัณหาที่ไขว้คว้าว่าเป็นของเรา หลุดพ้นจากอำนาจของมานะที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราหลุดพ้นจากอำนาจของทิฐิที่เข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนของเราหรือเป็นเราเป็นเขาและจากจุดที่จิตหลุดพ้นนั่นเองก็มีตัวยานคือความรู้ผุดขึ้นภายในใจว่าเรารู้แล้วเป็นการรู้ที่ระจักแจ้งแก่ใจตัวเอง ลักษณะของความรู้ตรงนี้จะเห็นว่ามันมีผลพวงนีิติดตามมาเป็นอันมากนั่นคือการถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในกลุ่มของขันทั้งหะที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทุกขขันคือกองของทุกขบางครั้งก็เรียกว่าอุปาทานาขันคือขันนั้นเป็นที่ตั้งของความยึดความถือ ซึ่งบางทีก็ยึดถือแบบตลกๆเช่นสมมติว่าเราชื่อกอชื่อขอชื่อนั้นก็ที่จริงก็สมมติเรียกเอาต่อมาหมอก็บอกว่าชื่อไม่ดีเป็นการลกินีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ให้เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนชื่อเราปล่อยความยึดถือในชื่อเหลานะั้นเรามายึดถือในชื่อใหม่ว่าใครเรียกชื่อก่าวโปรด เกิดไม่พอใจทั้งๆ ท, ท, ที่ชื่อชื่อกาวนั่นเองเมื่อก่อนใครไม่เรียกอย่างนั้นเราก็โกรธพอเราปล่อยตรงนั้นเรามายึดตรงนี้ใครไปเรียกอย่างเก่าเรากโกรธต้องเรียกอย่างใหม่แสดงเองว่าชื่อทั้งหมดที่จริงมันเป็นสมมติแต่ว่ามันเราไปยึดข้าวพอยึดข้าวมันก็เดือดร้อนร้อนจากการยึดย้นที่ทรงแสดงไว้ว่า สังกิเตนะปันจุปทานนะขันธามะกราโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ไดสังขารทั้งหลายนั่นเองเป็นในขันธ์ทั้งห้านั่นเองเป็นความทุกข์เพราะอวิชาที่ทรงแสดงเอาไว้เรียกว่าอาวิชาอัตถวัตถุกาคืออวิชาที่มีวัตถุ8ดคือมีเรื่องแปดอย่างที่เรารู้ไม่จริงไม่รู้รู้ไม่จริงรู้ไม่ตลอดสาย รู้ในทางที่ผิดนั้นก็คือไม่รู้ในเรื่องของของทุกข์ไม่รู้ในเรื่องของสมุทยัยไม่รู้ในเรื่องของนิโรธไม่รู้ในเรื่องของมรรคไม่รู้ในเรื่องอดีตไม่รู้ในเรื่องอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ในกฎของปฏิจจการคือกฎของปฏิจจสมุปบาทก็แสดงอ ว, วิชาใหญ่เนี่ยมันก็มีอยู่แปดเรื่องใหญ่ๆหด้วยกัน ในเรื่องนั้นคือสังเกตว่าถ้าเรารู้ให้ได้จริงๆเช่นเกิดความรู้เห็นในอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงขึ้นมาได้ความไม่รู้อีก8อย่างอีก4ี่อย่างข้างหลังก็จบไปคือถูกรู้ตามไปเลยและจากความรู้เหล่านั้นเองก็ทำให้ลดละท า, ายถอนกิเลสให้เจือจางบาบางลงไป จนถึงก็หมดสิ้นไปก็กลายเป็นผู้รู้ที่แท้จริงท่านสาชนทั้งหลายคงนึกได้ว่าความรู้ในระดับที่เรียกว่ารู้จึงเริ่มจากความเป็นพระบุคคลระดับโสดาบันไปดังนั้นตอนที่พระเจ้าทรงสแสดงธรรมจา ก, กวัตตานสุโป ร, ระปัญญวัคีเมื่อท่านปัญญ์ท่านัญญารกณัญญา สมัยนั้นเรียกว่าโกนธัญะได้ดวงตายเป็นธรรมพระเจ้าจึงทรงเปล่งพระพุทธอุทารว่าัญญาสิวัตรโพโกนัญโยัญญาสิวัตรโพโกนัญโยเปรอะโกนธัญะได้รู้แล้วท่านผู้เจริญโกนธัญญะได้รู้แล้วท่านผู้เจริญจากนั้นมาพระโกนธัญะจึงได้ชื่อว่าอัญญาโกณธัญะเปรอะโกณธัญะผู้รู้แล้ว เป็นการรู้คนแรกหลังจากพระพุทธเจ้าได้จัดสรุปมาแต่นั้นเมื่อเรามองกลับไปที่สิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าปัญญาโกอันญารู้นั้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากพลังของศรัทธาและพลังของปัญญาปัญญาของท่านได้ก้าวไปถึงจุดที่เรียกว่าทิฏฐิสำปันะ คือมีความเห็นที่ถูกต้องสมบูรณ์เป็นสมาธิติฏฐิแท้จริงคือปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงอยาถามถาเห็นชอบในอะไรก็เห็นชอบในอริยสัจทั้ง4ประการเห็นชอบในทุกสมุทยัยนิโรธมรรคและการทั้งสี่และเรื่องทั้งสี่ดังกล่าวแต่เป็นความรู้ที่ถูกขีดวงเอาไวค้คล้ายๆกับเราจุดเทียนขึ้นในห้องมืด พอแสงเทียนก็จัดความมืดในจุดนั้นได้จุดนั้นก็สว่างเราก็เห็นอะไรตามความเป็นจริงแต่ยังมีจุดที่มืดอยู่ถึงอย่างนั้นท่านก็ถือว่ารู้สภาพจิตของคนที่เป็นพระโสดาบันามองสายปัญญาก็คือมีปัญญาที่สมบูรณ์เรียกว่ามีความเห็นที่สมบูรณ์ไม่แกว่ง แมใ้ใครจะขู่จะล่อได้ผลประโยชน์หรือจะคุกคามด้วยความตายบอกถ้าไปยึดถือนับถือพระพุทธเจ้าแล้วจะฆ่าให้ตายเขาก็ยอมตายหรือเขาล่อโดยพกสมบัติเป็นอันมากบอกให้ปฏิเสธพระรณะไรพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมไม่ใจพระธรรมจริงพระสงฆ์ไม่ใจพระสงฆ์จริงแล้วจะให้รางวัลจํานวนมหาศาลยังไงก็ตามคนเหล่านี้ไม่เอา เพราะเาัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมในคุณของพระสงฆ์ในใจสิกขาที่ผลที่เกิดขึ้นจากความรู้ของท่านแล้วก็สิ่งนี้ท่านละไปได้และเป็นการละโดยเด็ดขาดหมายความว่าเป็นอกุปรธรรมคือไม่กําเริบอีกต่อไปก็มีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆทั้งสามเรื่องนั้นที่จริงก็คือโมหะเรื่องวิชาอย่างใหญ่ แสดงว่ากิเลสประเภทราคะโทสะเพียงแต่ลดเท่านั้นเองเคือละไม่ได้เราจึงพบต่อไปว่าพระอนาคพรสดาบันนั้นยังมีครอบครัวยังมีพัญยาสามียังมีบุตรธิดายิ่งชาวบ้านทั่วไปเพียงแต่ว่ามีธรรมะในการอยู่ครอบครองเดือน ไม่ละเมิดศีลทั้งห้าประการศีลทั้งห้าประการนั้นมาพร้อมกับมรรคหมายความพอจิตเข้าถึงมรรคบรรลุเป็นผลแล้วศีลห้าก็เกิดขึ้นโดยโดยสมุดเฉตวิรักหมายความงดเว้นได้เด็ดขาดไม่มีการละเมิดศีลทั้งห้าประการตลอดชีวิตเพราะตัวนี้จึงถือว่าปิดประตูอบาย ที่ทรงแสดงไว้ในพระบาลีว่าจตูปาเยหิจวิปมุตโตจิตพ้นจากยตุระบายทั้งสี่ประการได้แล้วก็ไม่ทำบาปที่แรงๆหมายความว่าสิ่งที่เป็นบาปมันก็อาจจะทำบ้างแต่เล็ก ๆ, ๆน้อยๆอย่างถ้าเป็นพระมันก็เผลอไปเก็บดอกไม้เพื่อบูชาพระพระเก็บดอกไม้นั้นต้องอบัท แต่ว่าเจตนาเป็นกุศลต้องการจะบูชาพระหรือว่าเก็บดอกไม้ไปบูชาพระนั้นก็เผลอไปแต่เห็นว่าเป็นบทปัญญัติประเภทที่ท่านเรียกว่าปณิตวชะคือเป็นศีลของพระไม่ใช่ศีลทั่วๆไปแก่ชาวบ้านอะไรทันละความเห็นเป็นถือตัวถือตนถือเราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขา ตะละความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจจิตข่าวเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นความเชื่อท่านไม่สงสัยเรื่องอดีตนาคตทษทงอดีตนาคโทษและกฎปฏิยาการโดยอาศัยความเชื่อที่มั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า แต่ท่านไม่ถือมั่นด้วยวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่ไม่ยุติโดยเหตุผลและความดีทั้งหลายแม้ข้อปฏิบัติเหล่านั้นจะเป็นความดีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธความดีส่วนอื่นยอมรับนถือความดีทั้งส่วนนั้นและส่วนอื่นเป็นการขาจัดโมฆะหรือวิชาที่หยาบยาออกไปท่านเหล่านี้จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ ก็แสดงว่าคําว่าผู้รู้โดยในยะนี้หมายถึงท่านที่รู้แล้วละ ก, กิเลสได้อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งอย่างการละความปโซดาบันไม่ได้มาความกิเลสหมดเพียงแต่ละ ก, กิเลสประเภทห ย, ยาบหยาสังโยชน์ประเภทหยบาบหยาบห้หมดไปสิ้นไปทันทั้ที่ใจของท่านยังมีโลภะโทสะโมหะ แม้จะไม่หยาบเกินไปก็ยังมีอยู่แต่เพียงเท่านี้ก็ชื่อว่าได้เป็นผู้รู้ที่มีคติแน่นอนว่าจะไม่ตกนรกคือปิดประตูจะตุระบายได้ต่อจานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป